ขอโอกาสพระเจ้าคุณพระธรรมราชนมคลเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมร า, าชพระเุณประเทศสวรนมภนมิเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองท่านจะคณะประสังคาธิการในที่ประชุมนี้ทุกรูปและขอต้อนรับ การศึกษาทั้งสองหลักสูตรคือปอทศ ส, สและปะสศศสทุกครูขอจเจริญพรท่านผู้บริการหนัก ง, งานศาสนาจังหวัดพระนครศรีธยาและท่านคณาจารย์ฝ่ายกริึกษทุกท่าน การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรเป็นความประสงค์ของคณะสงฆ์สองเจนได้ร่วมกันจัดการศึกษาโดยอาศัยหลักสูตรและ วุธิการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยถือว่าเป็นความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายวัตถุประสงค์ของเจ้าคณะพระสังฆาธิการในภาคสองก็เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรใน คณะสงฆ์ของเราหลักสูตปรปวสนั้นเริ่มจริงๆที่จังหวัดอ่างทองเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของคณะสงฆ์ภาคสองตอนที่เราเริ่มจัดกันแต่เนื่องจากว่าต้องการให้มีวุฒิสําหรับเรียนต่อ เปลนปรับไปเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศพที่เราเรียกว่าปปสในปัจจุบันแล้วก็เรียนกันทั่วประเทศเริ่มจากที่ภาคสองเลยส่วนปปสนะั้นเกิดจากการที่เราส่งพระไปสอนวิชาศาสนาในโรงเรียน เพิ่มความรู้ความสามารถไม่เท่ากันของผู้สอนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิหลายเจนได้ใช้หลักสูตรนี้เพื่อปรับฐานความรู้ความสามารถของท่านให้พร้อมที่จะไปทำงานสรุปแล้วเราเปิดหลักสูตรปป .2 เพื่อสร้างความพร้อมใช้งานด้านการเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์คือเป็นประสภาษาธิการให้กับทุกท่านเราเปิดหลักสูตรปศสองเพื่อให้ท่านพร้อมในการเผยแพระศาสนาไปสอนวิชาศาสนาในโรงเรียน นับเข้าในงานเผยแผ่จะให้เป็นาศาสนศึกษาก็ไม่ได้เพราะว่ า, าศาสนศึกษาสอนพระเน่ศึกษาสมคราะหก็เป็นการที่วัดเราให้ทุนการศึกษาหรือจัดการศึกษาเพื่อขรืหังในวัน ฉะนั้นการออกไปสอนวิชาลาสนาในโรงเรียนก็เป็นเรื่องของการเผยแผ่าศาสนาโดยมุ่งให้พวกเรามีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับหน้าที่อันนี้ต้องขอโนทนาคณะสงฆ์ในสามจังหวัดที่ ช่วยกันระดมทุนทำให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเรียนกันโดยไม่ลำบากนะักและยังสนับสนุนในเรื่องสถานที่ทั้งที่วัดกษัตราวัดอ่าทองและวัดท่ากระบอกมันเป็นงานที่คณะสมผู้บริหาร แก่คณะระดับสูงเนี่ยร่วมมือกันอย่างดีจนปปสะเรานี่รุ่ร่วมมาเป็นรุ่นที่สึกษี่ก็เพราะว่าเราเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการศึกษานี้ทำให้การทำงานของคณะสงฆ์ง่ายขึ้นเพราะเป็นการเตรียมตัวท่านเข้าไปสูง่งาน บริหารคณะสง์ส่วนในการเผยแผ่เราก็เตรียมพวกท่านให้ไปทำงานและในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าหลายรูปก็เป็นผู้บริหารกิจการคณะสง์เป็นประสาทกิกรรมหลักสูตรก็เลยไขยกันแ ล, แล้วก็มาเปิดด้วยกันที่นี่เพราะท่านเป็นบุคลากรของ คณะสงฆ์ภากษอถ้าเราจะพัฒนางานคณะสงฆ์พัฒนาวัดท่านจะเริ่มตรงไหนบางท่านบอกว่าไปเริ่มที่สร้างปุติสร้างวิหารสร้างสลากา ร, รเรลียนผมว่านั่นมาทีหลังก่อนจะสร้างเนี่ยต้องถ้าเป็นไปได้สร้างคนก่อน สร้างพระเนมพัฒนาอุบาสกอุบาสิกาให้มีความรู้ความสามารถก่อนและเขาจะมาช่วยสร้างกุติสร้างวิหารมาช่วยระดมทุนมาช่วยงานอื่นๆของพระศาสนาเวลาพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาโรคไม่ได้หาวัดก่อนแต่หาคน เป็นเทศสอนก่อนถ้าท่านทํางานดีๆเนี่ยไปสอนโรงเรียนอย่างดีหรือเรียนมีความรู้ในการบริหารจัด ก, การอย่างดีท่านจะไม่เหื่อยมากเพราะไปเทศไปสอนก็ดึงคนมาช่วยงานวัดท่านเรียนงานบริหารท่านก็ใช้คนอื่นเป็น บริหารกิจการคณะสงค์คำว่าบริหารหมายถึงทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นถ้าคณะสงส์ภาคสองเนี่ยจัดอบรมพวกท่านตามลำพังไม่ไปร่วมมือกับมหาวิลัลสงฆ์อย่างที่เราทำในรุ่นแรกๆเราเหนื่อยมาก เรียนจบแล้วก็ไม่ได้คุณวุฒิที่ไม่มีแรงจูงใจแต่พอเราใช้มหาวิทยาลัยสมมาร่วมงานกับเราทั้งหลักสูตรวิชาการเทศนาที่จัดอยู่ที่วัดประยูนและก็วัดผู้น้อยตัวประกาศเทศบตรมันมีศักดิ์ศ1 0เป็นแรงจูงใจให้พระเข้ามาเรียนอีก และก็เรียนจนจบจบแล้วท่านยังเรียนต่อบางรูปเรียนต่อจนถึงปริญญาเอกเริ่มจากป .4 นี่แหละอย่างเจ้าคณะจังหวัดประทุมธานีท่านก็เริ่มจากปปศจนถึงปริญญาเอกในส่วนของผู้จัด อยากให้ท่านได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าไหนไหนก็ลามาเรียนแล้วเวลาที่คุ้มค่าเกิดจากการเข้าห้องเรียนประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกันที่ครูบาอาจารย์เขาสั่งให้ท่านทำทำเถิดเพราะมันจะฝึกให้ท่านประสาน ง, งาน สร้างความร่วมมือและทาให้รู้จักกันพอท่านรู้จักกันเนี่ยไปทำงานในจังหวัดของท่านหรือข้ามจังหวัดมันจะสะดวกขึ้นมันเกิดเครือข่ายเกิดปัญหาก็จะมีแหล่งปรึกษาหารือเพราท่านรู้จักคน กำลังไม่พอก็หยิบ ย, ยืมจากวัดอื่นในเพื่อนเครือข่ายด้วยกันถ้าต้องรู้จักกันหมดใครเป็นใครอยู่ที่ไหนถ้าข้ามหลักสูตรได้ก็ยิ่งดีเอาแรงกันพราะรู้จักกันเกิดปัญหาคับข้องใจปัญหาในการบริหารคณะสงฆ์จังหวัดโน้นเคยมีเรื่องอย่างนี้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็ปรึกษาเรื่องนันและยิ่งได้เรียนกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการครับผู้ใหญ่เราก็รู้จักทันเป็นลูกศิษย์มีอะไรก็ปรึกษาในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เกิดความสัมพันธ์อีกมิติหนึ่งระหว่างอาจารย์กับศิษย์ไม่ใช่เจ้าคณะกับผู้กับเจ้าอาวาสหารอืออะไรต่งนนะั้น ความสัมพันธ์ทำให้งานทำงานง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นท่านต้องสละเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันเขาให้ไปนั่งกรรมฐานก็ไปเถอะครับเวลาที่ปฏิบัติเราก็จะได้เกิดความคุ้นความชินนอกจากในกระบวนการปฏิบัติแล้วยังเกี่ยวกับรู้จักการแทรกัน เราต้องการให้ท่านเกิดความสัมผัสกันจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามาจัดประถมนิเทศเนี่ยทัทง้งๆที่ท่านก็เรียนจริงๆกันมาบ้างเนี่ยก็เพราะว่าต้องการให้ท่านมารวมกันได้มาเห็นได้มาพบกันและพบเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดได้มาฟัง ผมมาวันนี้ก็ไม่ใช่แค่มาเปิดประชุมผมก็จะมาสอนท่านเป็นครูบาอาจารย์ให้ท่านมันก็จะเกิดมิติความสัมพันธ์ในหลายๆอย่างที่นิมนต์เจ้าคณะทั้งหลายมาก็เพื่อการนี้ด้วยเพราะเราก็ต้องทํางานร่วมกันเป็นแต่เพียงว่าอยู่ๆให้ท่านไปทําจริงไปสอนจริงไปบริหารจริงโดยที่ไม่มีการ เตรียมตัวมันเป็นความเสี่ยงสำหรับทุกท่านที่จะล้มเหลวเพราะว่าไปสอนโดยไม่มีการเตรียมตัวมันก็เสี่ยงที่จะล้มเหลวไปทำงานโดยไม่มีความพร้อมมันก็จะไปเจอต่อเจออุปสรรคเขา้าและมันขาดที่พึ่ง เราไม่ต้องการให้ท่านไปตายเอาดับได้อยู่ๆส่งไปเป็นเจ้าวาดอย่างเงี้ยเปิดตำราไม่ทันแต่หนึ่งปีที่ท่านมาอยู่ที่นี่เนี่ยท่านจะเป็นหรือไม่เป็นหรือกำลังเป็ น, น, น, น, นก็ตามในตาแหน่งใดก็ตามอย่าสักแต่ว่าเรียนท่านมีปัญหามีอะไรต่างเอาเรื่องนั้นมาปรึกษาในห้องเรียนได้ด้วยแต่อย่าไปบอกว่าอยู่ที่วัดเราก็แล้วกัน ยกเป็นโจทย์ขึ้นถามอาจารย์ได้ไปสอนจริงๆแล้วมันเกิดปัญหาปรึกษาหารือกันถามครูบาอาจารย์กันเตรียมความพร้อมของท่านหรือบางท่านอาจจะยังไม่มีตำแหน่งอะไรก็ตามก็อย่าไปห่วงเรียนไว้ครับวันหนึ่งโอกาสจะมาถึงที่เราจะได้ใช้ความรู้เพราะมัน มันบอกคุณสมบัติของท่านว่าท่านพร้อมใช้งานเดี๋ยวเขาก็เมื่อท่านมีนประการเทบัตินี้เขาก็ให้ถึงบริหารท่านไปสอนสำคัญว่าตอนไปสอนตอนไปทำงานบริหารท่านไม่มีความรู้อีความสามารถหวงตรงนั้นสิครับเหมือนกับค้านอนิมลไปรตอย่างเงี้ยเยอ่ๆให้ขึ้นทาว่าตั้งนโมห้าชั้นยัางไม่เป็น เดินพาถาอะไรก็ยังไม่เป็นมันเสียฟองแต่ถ้าเราได้ฝึกเทศฝึกอะไรไว้เดี๋ยวมันก็มีโอกาสเสียครับคนรุ่นใหม่หวัดคนนี้ใหม่หวัดก็ดให้เราแสดงพอแสดงขังแรกนี่แจ้งโกนนะครับคนมันนิมนต์กันใหญ่เลยถไม่ใช่ครั้งแรกเราแจ้งมรณภานะอย่างนี้มนต์อีก ผมนึกถึงพาซิฟรักเขาบอกว่าสัญชาติลิงยิ่งปีนสูงขึ้นไปเท่าไหร่คนก็รู้ว่าเป็นลิงมากขึ้นเท่านั้นตอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่รู้ว่ามันเป็นเสือหรือแมวหรือหมีเท่าๆกันหมดแต่พอให้ปีนต้นมะพร้าวมันอยู่ไม่สุข ลิ่งจริงๆคนตอนที่ยังอยู่ตำแหน่งเล็กๆตำแหน่งไม่ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ก็มองไม่ออกครับว่าเก่งหรือไม่เก่งหลงไว้ใจเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาโอ้โหเท่านั้นแหละปัญหายุทธโลกชนทั้งคนประท้วงคัดคา้านการเลือ่อนการตั้งทั้งเวลาทำงานก็มีปัญหา ตอนอยู่ตำแหน่งเล็กๆมันไม่ได้เรื่องไม่มีใครรู้ครับแต่พอเขาเลื่อนสูงขึ้นสูงขึ้นลูกน้องห น, นทาดูสิโง่แล้วยังขยันอีกเพราะไม่ได้เตรียมผวามพร้อมเรามาเรียนเรามาฝึกฝนถึงวันหนึ่งมันจะได้แสดงฝีมือเองครับเรียนไว้เถอ และตั้งใจเรียนด้วยเพราะว่าอะไรท่านไม่ได้มีเวลาที่จะลามาเรียนโดยที่แต่ละจังหวัดส่งเสริมอย่างนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามาเรียนก็เรียนให้จริงเลยเพราะว่าถ้าคิดว่าจะไปหาความรู้ช่วงอื่นตอนอื่นบางทีเราไม่ว่างเละเกิดมีตาแหน่งมีอะไรความรับผิดชอบมาก เอาเวลาที่ไหนมาทำรายงานเอาเวลาที่ไหนมาค้นท่านจะต้องอธิษฐานจิตเลยตอนนี้เป็นเวลาตักตวความรู้และมันตักตัวได้ง่ายเพราะมีคนมาป้อนเราเรื่องไปนร้่อยเรื่อ ง, อ ง, องไปรู้ว่าจะเรียนอะไรแล้วมันเป็นประโยชน์แก่การสอนแก่การบริหารครูอาจารย์เขามาเน็ตหมดเอาแค่นี้ให้เราไปอ่านเองเสียเวลาสเปซสะปะ แต่เพราะอาจารย์เข้ามาแนะบอกเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์แกการทำงานของของท่านมันเป็นโชคครับโชคที่เราไม่ต้องไปประงมมังหาหาเวลาทำงานจริงสอนจริงไม่ต้องไปลำบากลำบน่นและการที่คณะสงฆ์ภาคสองได้จัดโอกาสอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญยราดของท่านใช้ให้คุ้ม ในฐานะจักคณภาคก็ขออนุโมทนาทุกรูปที่มีเจตเจตนาอันเป็นกุศลมาเรียนเพื่อไปพัฒนาตนและพัฒนางานพระาศาสนาขออนุโมทนาเจ้าคณะระดับสูงที่อุปถัมภ์กิจการนี้ตั้งแต่วัดพนันเชิญที่ให้ที่ประชุมแก่เราวัดกษัตราที่ราชวัดอ่างทองวัดท่านกระบอก และคณะสงฆ์ที่บริจาคจะตู่ปัจจัยสนับสนุนกิจการทำให้เรามีวันนี้กันทุกท่านต้องตระหนักตรงนี้แล้วก็เรียนให้คุ้มกับที่ทุกฝ่ายสนับสนุนท่านผมขอปรารบเป็นการเปิดปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการและก็จะถือโอกาสนี้ถวายความรู้ เป็นอาจารย์สอนท่านไปด้วยในชั่วโมงต่อไปนี้ซึ่งผมเลือกหัวข้อที่จะมาพูดกับท่านก็ในการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมแห่งชาติที่เลือกเอาเรื่องนี้มาก็เพราะว่าเมื่อวันที่สิบสองกรกฎาคม 2,559 มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ห5ปีครับประกาศใช้ตั้งแต่ 2,559 ถึง 2,564 เป็นแผนงานระดับชาติในด้านการส่งเสริมคุณธรรม ให้ทุกกระทรวงทะบวงกลมขับเคลื่อนตรงนี้ผมถือว่านี่เป็นโอกาสดีของคณะสงฆ์เพราะงานของพระนี่ก็คือางานเผยแผ่งานอบรมสั่งสอนประชาชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเราสอนอยู่ฝ่ายเดียวมาเหนื่อยแต่เมื่อรัฐบาลบอกว่า เรื่องนี้สาคัญและบอกให้คนทุกคนทั้งประเทศเนี่ยมารับ ก, การสอนของเรามาฟังเราสอนมาฟังเราเทศทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนทั้งในการทำงานในการบริหารคณะสง์โดยที่มีคุณธรรมไม่เคยมีแผนแม่บทอย่างนี้มาก่อนนี่เป็นฉบับที่หนึ่ง แล้วทำไมเราไม่ฉวยโอกาสพระสงค์เรามันจะได้ทั้งความสะดวกสบายจากกระทรวงที่เขาพร้อมจะให้เราสองถ้าเอาเราเรื่องนี้เข้าไปโรงเรียนโรงเรียนก็อยากจะให้ท่านสองเขาเรียกภายเรือตามน้ำมันเป็นโอกาสคณะสงฆ์ภาคสองต้องตื่นตัวตรงนี้ จะเทศจะอบรมท่านไม่ต้องเอาเรื่องใหม่เราไปไปตกลงกับผู้ว่าวนั่นแหละแะท่านผอปอสอบอกเจ้าเรื่องคุณธรรมแห่งชาติ่ยมันง่ายเลยมีมงบมีอะไรทุกอย่างเลยแต่เป็นเทศเรื่องอื่นนีกคิดหนักหน่อยมันไม่เข้าแผนไม่บดแต่พอผออสำนัก ง, งานวุฒิสภบอกว่าจะจั ด, จดบรรยายทําเรื่องคุณธรรมแห่งชาติเองมันเข้าแผนและจะเอาเวียดกรที่ไหนก็ได้ เพียงแต่เราจะต้องรู้ว่ามันคืออะไรและตอนนี้มันทุกกระทรวงทบวงกลมเนี่ยเขาทำแล้วเป็นแต่เพียงว่าในวัดเนี่ยยังไม่ถือโอกาสไปสอนเด็กโรงเรียนพุทธนาวาทิทิ์ไปสอนในโรงเรียนหรือในการบริหารจัดการให้มีให้มาสอนพร้อมกับแผนแม่บทที่ว่า ผมเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ผักดันเรื่องนี้ก็ดูคณะสงฆ์ดูอะไรต่างๆมันก็ยังไม่ไปไหนมาไหนนี่เกือบสองปีและยิ่งเรามาทำงานด้านการเผยแผ่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก แล้วไม่พูดเรื่องนี้ได้ยังไงในแต่ละกระทรวงเขาจะมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงยกตัวอย่างในกระทรวงศึกษาธิการที่เราไปสอนในโรงเรียนของเขาเขาก็ต้องการให้พวกเราเนี่ยร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรมมีประกวดด้วยนะให้รางวัลสังคมคุณธรรม ขนานกับหมู่บ้านลักษาศีน้าจริงมันต้องผนวกเข้าด้วยกันหมู่บ้านลักษาศีน้าสังคมคุณธรรมอะไรกันเอาไปรวมอยู่ในแผนแม่บทให้หมดจริงเขารวมแล้วเพียงแต่ว่าเวลาขับเคลื่อนมันแยกกันและถามว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการให้พัฒนาคุณธรรมอะไรบ้างในแต่ละยุคแต่ละสมัย ปัญหาสังคมไทยไม่เหมือนกันในยุคนี้เขาต้องการคุณธรรมแห่งชาติสี่ขั้พระเทศอะไรก็ได้ครับแต่ให้มันอยู่ใน1ึในสี่เนี่ยถือว่าสอดพร้อมกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติท่านไปนสอนในโรงเรียนเอยถึงตรงนี้หัวข้อตรงนี้ด้วยถือว่าท่านเดินตาม นโยบายรัฐบาลและถ้าท่านพิจารณาให้ดีมันไม่ใช่แค่เดินตามนโยบายรัฐบาลมันเป็นการสนองพระราชบริธานของอย่างน้อยสองรัชกาลคุณธรรมเรื่องพอเพียงนะ่รัชกาลที่9่าปรัช ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียงจิตอาสาราชการที่สิบ เราทำความดีด้วยหัวใจหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันได้ทั้งสถาบันชาติคือรัฐบาลศาสนาธรรมะของกราและพระมหากษัต ร, ริย์จะทำให้เราได้ทำงานง่ายมากเลยทำไมเขาจึงเลือกเอาสี่ขั เนื่องจากว่าผมไปเป็นกรรมการผมก็ฟังทุกฝ่ายผมก็เข้าใจอาจจะสรุปอย่างนี้ครับประเทศไทยเราเนี่ยในยุค 2,560-61 มันเป็นยุคที่ผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจปี40 และในช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรทรงเน้นย้ำเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็ทำให้เราชาติเราพ้นพ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจมาได้เราต้องยืนยัน ย, ยึดมั่นในคุณธรรมในความพอเพียงเอาไว้ แม้ประเทศไทยจะประกาศว่าจะเข้ายุค 4.0 4.0 คือยุคที่ต้องการพัฒนาประเทศเราเนี่ยจากปัจจุบันปัจจุบันตั้งแต่ปี2554ประเทศไทยได้รับจัดอันดับโดยธนาคารโลกให้เป็นประเทศที่ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดักสูง High, uh, higher middle income country ธนาคารโลกเขกาจัดอันดับเราวนะ่ยเขาแบ่งประเทศเนี่ยเป็นสี่กลุ่มในโลกนี้โดยธนาคารโลกแบ่งตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจจนที่สุดเขาเรียกประเทศมีรายได้ต่ำ Low Income Countries อันนี้ชั้นหนึ่งเรียกอะไรชั้นสี่ก็แล้วกันนะิจจนกระทั่งชื่ึนชั้นหนึ่งชั้นสาม l o w middle income country ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับล่างในกลุ่มอาเซียนเนี่ยสิบประเทศเนี่นะครับ เกือบทั้งหมดอยู่ในกลุ่มนี้ยกเว้นมาเลเซียและก็ไทยสิงคโปร์ประเทศไทยเพิ่งได้รับการเลื่อนมาอันดับที่สองก็คือ4 3 2, 2> h i g e r Middle Income Countries ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง เขาจัดโดยวัดรายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรทั้งประเทศตั้งแต่ห้าพันดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปเราเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ผ่านมาห้าปีละการที่มาอยู่ตรงนี้ทำให้เราอยู่ในกลุ่มประเทศอะไรครับ ในอาเซียนมีมาเลเซียเราแค่ไทยกับมาเลเซียเท่านั้นจีนรัสเซียอยู่ในกลุ่มนี้แล้วอยู่ในกลุ่มเดียวกันรัฐบาลไทยปัจจุบันเนี่ยประกาศนโยบายสี่จุดศูนย์เพื่อยกประเทศไทยให้ขึ้นอันดับชั้นสูงสุดอันดับหนึ่งเรียกว่า high Income Country ประเทศที่มีรายได้สูยงยานในอาเซียนมีประเทศเดียวคือสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นในยี่สปีข้างหน้าเนี่ยจะยกระดับประเทศไทยไปสู่ตรงนั้น แต่ไม่ใช่กระตุ้นความโลภจนกระทั่งเกิดวิกฤตอีกครั้งหนึ่งเราต้องสำรองระวังโลกต้องยำกุ้งอ่ะข้างเงินบาทตกเศรษฐกิจล้มระเนระนาดเพราะว่าเราเร่งเครื่องเร็วเกินไปเร่งเครื่องเร็วเกินไปในระดับประเทศเราเป็นนี่เป็นสิ่ ในระดับเอกชนเร่งเครื่องเร็วเกินไปขาดพุนขึ้นมาหันไปค้ายาบ้าอยากรวยเร็วแล้วยาบ้านมันเข้ามาในวัดนะท่านตาไอ้ชาว บ, บ้านที่มาบวชนีน่มาเสพยาจํานวนพระที่ติดยาเพิ่มขึ้นมากใหม่ปปสไอ้ปราบยาเสพติดประกาศ ก็ทบระหมดระหมดมาบวชก่อนท่าภาษาไปเบนทบาทให้เพื่อนใสอะไรขนมน่งยายาเสจติดเข้าไปอีกมันงามหน้าไปละเราเร่งเร็วเกินไปโลภเกินไปไม่รู้จักพอเพียงเพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกษิจพอเพียง ก็ต้องยืนหยัดเอาไว้ตลอดสี่จคุณธรรมแห่งชาติข้อที่หนึ่งข้อที่สองสังคมไทยเราเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือทำอะไรไม่พร้อมกันถ้าท่านเห็นประเทศที่เขามีระเบียบ ว, วินัยที่เขาเจริญเนี่ยนะ ไม่ว่าในการเข้าแถวในใ น, ในการใช้รถใช้ถนนมันเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประชุมด้วยไม่มาเดินเพ่นพ่านเลยเขาผมจัดวิสาขบาูชาโลกหรือจัดงานอะไรก็ต่างคนต่างประเทศเนี่ยนะเวลาเขามานั่งประชุมนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ย เป็นลอยๆเนี่ยเขาไม่ออกก่อนเลยไม่ไม่หมดเวลาเขาไม่ไปคนไทยหายไปครึ่งไปข้อนมันบอกได้เลยว่าเรื่องวินยัยจราจร อ, อะไรทุกอย่างเราขาดหมดถ้าประเทศเราจะพัฒนาขึ้นไปกว่านี้ต้องเพิ่มเรื่องวินยัยวินัยคืออะไรเดี๋ยวไห้พูดกัน อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สังแต่ก่อนประเทศเราไม่รุนแรงอย่างตอนนี้เพราะประเทศเรายังยากจบเงินยังน้อยสังเกตไหมครอบครัวไหนถ้ายังยากจนอยู่รักกันดีทนะ่นพอเริ่มมีสตางค์แล้วแย่งผลประโยชน์กันพี่น้องแย่งมรดกกันทะเลาะกันคนไทยมาทะเลาะแย่งผลประโยชน์กันมาก ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเพราะใครไปคุมอำนาจทางการเมืองได้ผลประโยชน์แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ทะเลาะ ก, กันวุ่นวายมาเพราะประเทศเรารวยขึ้นวัดของท่านรวยขึ้นแย่งกันเป็นจ้าววาถ้ามีนี่มีสินมีใครอยากเป็นบ้างวัดไหนอ่ะ ประเทศเราเนี่ยมันแย่งผลประโยชน์กันเกินไปไม่แบ่งอำนาจไม่แบ่งกันเป็นใหญ่ในทุกส่วนนะของประเทศการแข่งขังมนมเลยส์สูและเพื่อที่จะแข่งโดยโตรงไม่ได้ก็เอาในทางทุจริตสิโกงเลือกตังเพื่อให้ได้อำนาจ เข้าไปแล้วก็ไปโกงบ้านโกงเมืองไม่ว่าฝ่ายไหนก็นตามที่ไปโกงกันเพราะสะสมจะสุนสำรองเงินทองเอาไว้ใช้ทําอะไรก็แล้วแต่ทุจริตลามเข้าไปอาศัยในวัดด้วยไปตรงไม่ได้ใช้เงิน้อนนีกวัดแล้วก็เดือดร้อนเป็นื่อหมื่น แต่ก่อนมันไม่ขนาดนี้ฉะนั้นเราจะต้องเน้นย้ำเรื่องความสุจริตเพื่อให้ประเทศไทยมันอยู่รอดไม่ทะเลาะกันจิตอาสาเมื่อเรามั่งคั่งร่ำรวยขึ้นแต่ถามว่าไทยรวยสตางค์มันไปอยู่ในมือใคร มันรวยกระจุกจนกระจายเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่รวยกระจุกมันจะต้องแบ่งปันแล้วก็เกิดจิตอาสาขึ้นน้ำท่วมขึ้นมามูลนิธิมาช่วยคนที่รวยก็บริจาคผ่านมูลนิธิมันก็เป็นจิตอาสา ทอดกระถินทอดผาป่ากระจายออกไปเลยมันก็เป็นจิตอาสาเกิดภัยน้ำท่วมอุทกภกัยวาตภัยอะไรก็ต่าคนเดือดร้อนแต่สังคมไทยเรามีจิตอาสามาแต่โบราณเราต้องรักษาไว้ยิ่งเราร่ำรวยมั่งคัง่งยิ่งต้องแสดงน้ำใจ ลาวเกือนแตกเราก็ต้องไปช่วยในพม่ากเกิดพายุนาคิสมัยโน้เราก็ไปช่วยโดยสรุปท่านไปสอนชาวบ้านให้มีคุณธรรมสี่ประการพอเพียงวิในสุจริตจิตอาสา แต่อย่าไปสอนแบบค า, ารวะเอาธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยไปช่วยพอเพียงคืออะไรขออไร้อแรกถ้าเราหาธรรมะในพระพุทธศาสนาไปเสริมปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ยิ่งดีคำว่าพอเพียง มาจากสามพอหนึ่งพอดีพอดีคือมัดทิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่มากไม่น้อยพอดีพอดีโดยเฉพาะเป้าหมายของการพัฒนาพระพุทธเจ้าบอกว่าการมสุ ข, ขาริ ก, การโยกเป็นสุดตรงขัานหนึ่ง อัตตาเกิรมถทานุโยคเป็นสุดโต่งขั้นหนึ่งการมาสุขาลิการุโยคปนเปรดทางวัตถุทางกายอัตตาเกิรมทฐานุโยคมุ่งพัฒนาจิตโดยไม่สนใจร่างกายมันสุดโต่งหมดพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญแก่นามมารูปกายกับจิต ฉะนั้นเวลาพัฒนาประเทศชาติไม่ใช่ว่าล่ำรวยแต่วัฒนธรรมจิตใจต่ำต้อยทำลายแม่น้ำลำธานทำลายวัฒนธรรมวัดเราเนี่ยมีสิ่งของโบราณมีกุฏิมีวิหารเก่าๆไปทุกทิ้งหมด เอาตึกแบบใหม่ๆสมัยใหม่มาวางไม่แทนความขลังความศักดิ์สิทธิ์มันไปไหนด้านจิตใจตู้พระไครกไปโดกสมัยหนึ่งลายรถน้ำอย่างดีเอาไปแลกกับตู้เหล็กของเจ็ท มันมั่นคงดีด้านจิตใจเราจัดงานวัดเอาการแสดงโคโยตี้อะไรตอนน่อมีอะไรเข้ามาเพราะหวังจะได้เงินนยมันพอดีตรงไหนเจ้าว่านก็เดือดร้อน มัชิมาปฏิปทาเป็นข้อแรกคือความพอดีความพอเหมาะมัดตันยู่ตันนกน้อยทำรังแต่พอตัวตัวมันเล็กแค่นี้ก็รังแค่นี้วัดของเราเนี่ยมันมีญาติโยมแค่นี้มีชาวบ้านแค่นี้ควรสร้างโบสถ์แค่นี้จะเอาใครมาบูชเอาใครมาร่วมกิจกรรมสร้างใหญ่โต แล้วจะเอาเงินที่ไหนเป็นนี่เป็นสิทธิ์ความพอเหมาะมัดตันย่ตาสสร้างห้องประชุมใหญ่โตคุ้มนเออถ้าอย่างนี้คุ้มจัดประชุมอยู่เรื่อยสาลาใหญ่โตเป็นไรจได้ตอนหลังผมไปดูมีแต่สุนัขนอนหมดบารมีหลวงปู่หลวงพ่อ แค่จะ ก, กว า, าดสาลาก็ไม่มีกำลังความพอเหมาะมัตันยูตตามันควรจะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเหมือนกับเราไปซื้อเด็ ก, ดกๆสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักมัดตันยูตตาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆราคาแพงๆเวอร์ชั่น เรืวบอลลห้าสุดเนี่ยซื้อกันใหญ่ตกรุ่นมันราคาตกถามว่าเวลาซื้อเอามาทำอะไรถ้าเอามาเป็นโทรศัพท์นะค่บางคนเนี่ยใช้ได้แค่โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกซื้อทำไมราคาตั้งหลายหมื่นเพราะประโยชน์ใช้สอยมันแค่โทรเข้าโทรออกในกรณีนี้ใช้รุ่นคุณยายก็ได้ ใช่ไหมนั่นแหละมนตันยุตาครับเออแต่ว่าถ้าท่านจะต้องค้นเทศเปิดอินเทอร์เน็ตส่งไลน์ท่านอีกมันก็ดูว่าเราแค่นี้ควรจะขนาดไหนมีถ่ายภาพเอาที่มันพอเหมาะอ่ะแล้วก็ไม่ต้องแพงตกรุ่นก็ไม่เป็นไรมันถูกดี ถ้าเด็กๆคิดอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ใจแตก่อนและเขาก็มีสิทธิ์ได้โทรศัพท์เพราะว่าต่อไปมันจะเป็นยุคไม่ถือเงินซื้อของก็ไปแทบเอานะมันเงินมันอยู่ในโทรศัพท์อะไรผมไปที่ประเทศจีนมหาวิเลย ที่ซีพีเขาไปตั้งไว้ที่นานกิงทั้งมหาวิทยาลัยไม่ถือเงินเขาให้ผมดูเวลาเด็กๆจะทางข้าวก็เอามือถือมาหนึ่งชี้ก่อนว่าจะเอาอะไรเขาก็มันมันมีราคาอยู่ที่เขาทำเป็นท้ถ้วยเอามาวางปั๊บเนี่ยเครื่องมันจะคิดเองเนะเพราะไปวางปุ๊บมันเครื่องมันคิดเลขให้ตามรหัสที่ใต้ถานเนี่ยเขาเปลี่ยนทุกวันถ้วยนั้น มันก็จะขึ้นสามถ้วยมันก็จะขึ้นเอามาทั้งถาดราฐานมันจะขึ้นหนึ่งสองวินาทีเท่านั้นนะวางปั๊มของสามอย่างอยู่ในถาดมันขึ้นไอ้เพื่อนขึ้เงินเลยทั้งเด็กก็ส่งโทรศัพท์ให้ไปแท็บบาร์โค้ดที่เงินเลยไปละจะซื้อของเหรอมันก็จะมีห้องๆเนี่ย อาลีบาบาเขามาทำอะไรสั่งออนไลน์หมดท่านจ่ายเงินแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ในห้องมาเห็นก็มาหยิบของที่บริษัทเขาเอามาวางไว้แล้วก็เอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่บาร์โค้ดตรงกันเข้าไปของอะไรก็ได้ทั้งมหาวิทยาลัยไม่มีเงิน แล้วต่อไปถ้าท่านตกยุคนี่โยมพอสวดเสร็จโยมบอกแถบไหนท่านจะถวายห้าพันอาตมาไม่มีเอาไว้บนหลังเลย อ, อนดีกความพอเหมาะในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาตันยูตาในหลวงราชการที่๙เรียกว่าให้ยืนอยู่บนขาตัวเอง ข้อสาความพอใจคือความสุขรวยแต่มันไม่สุขมีประโยชน์อะไรสุขของคฤหัสถ์สี่สุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขจากการไม่เป็นหนี้สุขจากการงานที่ไม่มีโทษอนนัตวัชสุขในสุขสี่อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าข้อที่สี่สำคัญที่สุด ร่ำรวยโดยไม่ถูกวิธีโกงค้ายาบ้ามันเป็นความสุขที่ไหนมันผิดข้อที่สี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดถึงปรัช ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างครบถ้วนเพียงเอาสารพอแล้วหาหลักธรรมะสอนถ้าท่านเป็นสอนในโรงเรียนท่านจะสอนแบบมัชฌิมาปฏิปิฆะโทษอนุภุมิพิฆาก็ได้สอนไปนตามลำดับ หรือท่านจะสอนแบบอริยสัจสี่ก็ได้เด็กโตคุณจะสอนอริยสัจสี 4. อริยสัจสี่สอนอยังไงอ น, นุพิบัติก็คือเริ่มจากเรื่องง่ายไปหายากตามละดับหมวดสองหมวดสามหมวดสี่อะไรก็ว่าเป็นเหมือนนวบุญว่ า, วาแต่สอนแบบอริยสัจสี่คือสอนผู้ที่มีพื้นปารู้เอาปัญหาเป็นตัวตั้งทุกข์ครับทุกข์ของสังคมปัญหาของพวกเธอคืออะไร เรียนไม่เก่งค่ะเรียนไม่เก่งครับรูพระอาจารย์แล้วทำไมพวกเธอถึงเรียนไม่เก่งจําไม่ได้ค่ะสมาธิไม่ดีฝึกสมาธิคือมักเห็นไหมสอนแค่นี้แหละบริหารจิตเจริญปัญญาเป็นหลักติดยาบ้าแก้อย่างไรเด็กติดยาสอนแบบอริยสัจสิเริ่มจากปัญหา นำเข้าสู่บทเรียนแล้วก็มาระดมกันว่าใช้ธรรมะอะไรวินัยครับพอเพียงวินัยวินัยเนี่ยเราเราต้องแยกออกจากสีลสิกขาบทนะครับเรามาักจะสีนสองรอยี่สิบเจ็มันเป็นวินัยสีลห้าเป็นวินัยหรือเปล่าไม่ใช่ แต่227เป็นวินยัยวินยัยพันธุ์ให ญ, ญ่สีน่าไม่ใช่วินยัยแล้วเราจะไปสอนให้ค้รือหัสมีวินัยของค้รือหัสอย่างไรท่านนี่คือจุดที่ทำให้สังคมไทยขาดวินยัยวินัยต่างจากสีนอย่างไรเราต้องชัดเจน ศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยในนวะกะว่าก็บอกแต่มันตัวใครตัวมันผมก็มีศีลของผมท่านก็มีศีลของท่านในศีลห้าเนี 5, น่ยสมมติคารวานะและเวลาอาราธนาศีลอย่างวิสุงวิสุรขรัตนธาญาย่ไม่เท่ากันท่านศีลห้าแต่ให้แยกถือขาด บางข้อยันอยู่ได้กินเหล้าหัวลาน้ําแต่อีสี่ข้ออยู่ก็วิสุงวิสุงราษฎร์นยยักี่ยแต่อีกคนหนึ่งห้าข้ออีกคนหน 1, ึ่งสี่อีคนหนึ่งสามมีศีลแต่ไม่มีวินยัยสามคนเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันวินัยคืออะไรครับวินัยเนี่ยคืออุบายฝึกหันกายวาจาซึ่งควบคุมให้บุคคลปฏิบัติตาม กติกาทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วกรรันด้วยความราะเ บ, ะเบะียบเรียบร้อยคําว่าระเบียบรเรียบร้อยคือเสมอการวิัยต้องมีศีลเสมอกันเขาเรียกว่าศีลรักษามัญญตานั่นแหะคือตัววิเัยทํำไมศีล227ของพระเป็นวิเนตเพราะพระทุกรูปต้องมีศีล227ข้อเหมือนกัน มีไหมไปบวชเก้ากระชาที่ไหนก็ขอวิสุงนี่สุงนะหลวงพ่อผมแค่ประราชิชกสัตยานิเศษพอไม่มีท่านเออเห็นไหมต้องแค่จะปาฏิโมกข์ก็ต้องสวดให้จบนะสองรอยี่สิบเจ็ดนะไปตัดก็ไม่ได้นะด่ากันตึงเพราะวิไหน ต้องการให้ทุกคนทําเหมือนกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะปฏิบัติเหมือนกันคนถ้ามันมีวินัยมันจะทําเหมือนกันเขาเรียกว่าแครสังผมเรามีวินัยเพราะอะไรครับดูง่ายๆข่ผมผ้าเหมือนกันนี่คือวินัยนะครับที่เราผมดองมาเนี่ยท่านจะห่มอ่า บิดผมอะไรก็ได้แต่เขาบอกว่ามาประชุมนี้ต้องห่มรัดอกมันมีศีลข้อไหนนะครับไม่มีแต่มันเป็นวิเนยของที่ประชุมทำเหมือนกันครึ่งเดือนเอะหนึ่งเดือนนะครับวันขึ้นสิบห้าอขึ้นสิบสี่ครับปลงผมเหมือนกันโยมก็เลยดูปฏิทินวันพระวันโคดจากหัวพระเี่ย แล้วถ้าเกิดพระาดใวัดท่านมันแหวกแนวไม่เอาวินยัยนึกจะกโกนก็โกนจะโยมงงนะครับแล้ววันไหนมันวันโกนกันแน่แสดงว่าในวัดที่ไม่มีวินยัยไม่มีระเบียบวินยัยเราเรียกระเบียบนั่นแหละครับวินยัยปร o n ผมก็เหมือนกันและตอนหลังนี่เริ่มมาผมชีวรสีเดียวกันอย่างน้อยเข้าวังไปต่างประเทศคนจะถามผมเลย ทำไมพระไทยมีหลายสีเดี๋ยวสีนั้นสีนี้เละหรารู้ไหมนะครับว่าเวลาพระมหายานเขามีหลายสีเนี่ยเขาใช้ในงานต่างกันเข้าพิธีมันจะสีเดียวกันหมดไปกวาดลานวัดสีเดียวกันชุดกวาดลานวัดสีหนึ่งชุดสวดมนต์ใหญ่เนี่ยมีสังขติในผ้าคลุมเหมือนกันหมด แต่เราเนี่สวดพิธีไหนในต่างประเทศเนีน่ยสีส้มสีอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนกัน <c oughs> เขามองเรื่องวินัยครับ <c oughs> การแสดงออกและถ้าเราไม่สามารถ่ีแสดงออกนี้ <c oughs> เขาบอกว่าเราไม่มีพลังสีผมผ้ายังคนละสีและมันจะพูดตรงกันได้ยังไงเนียเขาคิดเองนะ ที่พูดนี้คืออธิบายคำว่าวินยัยตะกี่ผมพูดเรื่องประชุมเข้าประชุมพร้อมกันเลิกประชุมพร้อมกันตามหลักอปริหานิยธรรมเนี่ยคือวินยัยนะถ้ามีมติลงคะแนนว่าจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ปฏิบัติตามเหมือนกันเสียข้าน้อยก็ยอมไม่มาทะเลาะกันทนอก นี่อะไรข้างในแพ้มาเป็นเป็นฝ่ายค้านสู้ไปได้ในสภาไปเป็นฝ่ายแค้นข้างนอ ก, นอกล้มกระดานกันเฉยๆนี่คือวิ น, นัยเพราะฉะนั้นถ้าประเทศเราี่ผมผมไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เรามีปัญหาเราไม่มีเรามีปัญหา แต่อยากให้ประเทศไทยไม่มีปัญหาต้องมีวินยัยจราจรก็เหมือนกันขับรถเมื่อจะเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนนึ่จะอะไรก็ไม่รู้อุบัติเหตุมันเกิดเพราะมันเดาไม่ถูกขับไปดีๆอ่ะมันเปลี่ยนเลนแล้วครับรถสิบแปดล้อมันมันไป อ, อยู่เทินเติมเขาสิครับใครจะเป็นเนี่ยแล้วก็ การของสัตว์ลงที่มาเกิดในประเทศไทยที่ไม่เคารพวินัยจราจรเ่็เนไหมครับเรื่องวินัยจึงใหญ่กว่าที่เราคิดมามันคือการเคารพกฎระเบียบกฎหมายกติกาบ้านเมืองทุกอย่าง และถ้าเราทามันเหมือนกันคือสีและสารมัญญตาเป็นองค์ประกอบแห่งความสามาักีทิปถิสารมัญญตาเป็นความคิดที่คล้ายกันสีลสารมัญตาความระพฤติที่เหมือนกันประเทศไทยกำลังต้องการสีละสารมัญตาไม่ว่าในเรื่องใดก็ต่าคือวินยัยสุดจริตครับ สุจริตเนี่ยเริ่มจากมนุสุจริตก่อนน่าจะเข้าใจง่ายคือคิดดีมันจะนำไปสู่วจีสุจริตพูดดีและมนสุจริตกายสุจริตทำดีทาดีคิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละคือสุจริตดีคืออย่างไรครับ ที่ว่ดีคือธรรมัจารสุจริตั่างสุจริตนะ บ, บุคคลควรประพฤติธรรมะให้สุจริตสังคมไทยต้องการแค่นี้แหละปฏิบัติตามพุทธพาสิทธินี้ได้เนี่ยเจริญนะ่ะคำว่าธรรมะหมายถึงอะไร ธรรมะเวลาที่เราใช้เนี่ยมันมีความหมายหลากหลายท่านจะต้องดูว่าแต่ละที่ที่ใช้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงหมายถึงอะไรนี่แหละที่เราจะต้องดูอัตกถาคำอธิบายพุทธพจน์อย่างเช่นมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนเมียาธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจธรรมะตัวนี้หมายถึงอะไรไม่ใช่อยากจะสอนก็สอนไปธรรมะคือคุณากรนะมาอะไรก็เป็นธรรมะตัวนี้คืออะไรมโนปุพันเข้ามาทามาทาทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้านอัตารย์กถาเขาหมายถึง ไปถึงอะไรครับทาตัวนี้หมายถึงเจตสิกรรมเจตสิกครับมีใจเป็นใหญ่คือจิตจิตเนี่ยเป็นใหญ่แล้วก็มีเจตสิกเอามาประกอบ ถ้าพูดกันอย่างนี้นะครับในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารนิยาณวิญญาณคือจิตเป็นอย่างเวทนาคือความรู้สึกมันเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมันประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตสัญญาก็ปรุงแต่งจิตสังขารเช่นความดีความโลภความโกรธความห ล, ลงความดีมามชั่วมันอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นจิตเกิดเมื่ อ, อไรเจตสิกมือนถึงจะมาด้วย เขาหมายถึงอย่างนี้แต่ตรงนี้ไม่ใช่ทำมันจะเรสุจริตต่างประพฤติ ท, ทำให้สุจริตไม่ใช่ประพฤติจิตเห็นไหมและไม่ใช่คุณากร้วยมันคืออะไรขออ่านเฉพาตรงนี้ก็แล้วกันท่านต้องไปดูว่าเรื่องนี้พรุทธเจ้าสั่์ตอนไหนดูบริบท ก็คือตรักตอนที่กลับไปอไกลับไปสอกไปเยือนกับบิลภัทรรั้งแรกไปโปรดญาตาาในสาขาโยมเทศจบพระเจ้าสุโธธนะ ก, ก็อยู่ที่นั่นไม่มีใครสักคนนิมนต์ไปฉันในหวังพระเจ้าสุโธธนะ ก, ก็คิดว่าลูกชายเราโบรสเรา กลับบ้านมาที่บ้านเมืองเหล่าไม่ไปเสวยที่วังแล้วจะไปไหนลูกก็ต้องไปกินข้าวที่บ้านคิดอย่างนี้ก็เลยไม่นิมนต์ต่างคนต่างไม่นิมนต์ลับกันหมดเลยตื่นเช้าขึ้นมาพระเจ้าพิจารณาว่าตกลงจะไปบิณฑบาต ท, ที่ไหนไปในวันเขาก็ไม่ได้นิมนต์ ก็ทำตามปกติตื่นเช้าปุบพันเห็บปินทบาตันจายเช้าก็ออกบินทบาทพระพุทธเจ้าของเรานำพระสงฆ์บินทบาทในเมืองกบิลพัฒน์ในร้านตลาดชาวบ้านเนี่ยตอนที่เป็นเจ้าชายเสียจถ่าแค่จะเห็นหน้ายังไม่เคยเห็นในนั่งรถม้าปิดประทุนหมดนี่มาตัวเป็น มาใส่บาทโขกรีดกันยังอะไรท่านเอยถ้าเห็นซุปุปตามาเนี่ยนะใ <c oughs> ส่บาทกันใหญ่เลยร้อมหน้าล้อมหนะลัง อ, อ, อุกก็ทึ ก, ท ก, ทกคระึกมดังสนั่นวันไหวดังไปถึงนดนประสาทของพระเจ้าสุโธธนะคนมันโกรลางอดกันเรื่องอะไรก็ช่างโกะพักไปดูผ่านหน้าต่างพระแปล <c oughs> เห็นลูกชายพระโ อ, โอรส ขอข้าวชาวบ้านหน้าเหลือสองนิ้วนะเราไม่ได้อดอยากถึงขนาดไม่มีเลี้ยงลูกให้ไปขอเขากินก็เลยเสด็จลงจากวางไปต่อว่าพุทธเจ้าว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงเสียชื่อวงตระกูลเสียชื่อวงตระกูลตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตัน ตอบด้วยพุทธภาสิตนี้บอกไม่ได้เสียเลยวงของพระองค์เป็นสากยวงศ์แต่พทธเจ้าบอกว่าของอาตมาเป็นพุทธวงศ์คนละวงนะสากยวงศ์กับพุทธวงศ์และแต่ละวงมีหน้าที่ต่างกันคือธรรมะ พระองค์เป็นสากยาวงศ์เป็นวันนักษักก็มีวันนักธรรมะคือหน้าที่ประจาวันนักษักปกครองอาตมาอยู่ในพุทธวงศ์พุทธเจ้าทุกพระองค์ทำเหมือนกันหมดคือออกบินธบานโปรสักเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำหน้าที่โดยเม ป, ประมาณปุดติดเถ น, นะบมาตเชยยะนนะอยาประมาณในการที่ จะลุกต้อนลักรับข้าวก้อนข้าวและเมื่อมีหน้าที่ต่างกันก็ต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ทำมังเจริสุจริตตังควรประพฤติธรรมะคือหน้าที่ให้สุจริตท่านทั้งหลายอยู่ที่วัดท่านอาจจะเป็นพระสังฆาธิการอาจจะเป็นพระลูกวัดก็ทำหน้าที่จเจ้าวาดลูกวัดเจ้าคณะไป แต่มาอยู่ในห้องเรียนจะมาเบงว่าฉันเป็นจากนัาทบนเนื้อไม่ได้เอาเอไม่ได้ตกเป็นตกหน้าที่หน้าที่ทัานต้อเรียนต้องเชื่อฟันมันคนละบทบาทมันสวมหัวโขนคนละหัว เมื่อเราสวมหัวโขนอะไรเราก็จะมีธรรมะประจำหัวโขนนั้นผมเองมาพูดกับท่านในฐานะเจ้าคณภาคผมก็ต้องมีบทบาทมีธรรมะในะธรรมะของเจ้าคณภาคคือหน้าที่ผมผมทำหน้าที่ครูบาอาจารย์ผมก็ต้มีบทบาททาหน้าที่ในการเตรียมสอนการบรรยายขึ้นจอให้ท่าน ถ้าเป็นเจ้าคณาภาคเขาไม่ทำหราท่านเนอะเจ้าคณะภา่มาพูดล้วก็ไปแล้วแต่มันมีหน้าที่เขาเขียนแบบบรรยายพิเศษอาทิตย์บางขับมาค mm hmm. ำว่าบรรยายมันหมายถึงอาจารย์ mm hmm. ใช่ไหมเลคเชอร์ mm hmm. ถ้าไม่มีตัว น, นี้ผมไปแล้ว mm hmm. เห็นไหมผมมีหน้าที่เป็นอาจารย์ผมก็ต้องมาสอนท่าน ใครมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในตอนนั้นขงจื๊อเขาบอกว่าให้ขงจื๊อเลี้ยงมา้าให้ขงจื๊อทำหน้าที่อะไรจะทำให้ดีที่สุดให้ขงจื๊อเลี้ยงมา้าม้าจะต้องอ้วนให้ขงจื๊อเป็นเสนาบดีกระทรวงการขลังเงินจะต้องเต็มขัน ตอนนี้เขาให้เป็นตะพุ่นญ้าช้างเลี้ยงช้างแบบมะกระโถมะกระโถมาเลี้ยงช้างในโรมช้างของพระร่วงเจ้าเขาเรียกตะพุ่นญาช้างหายายากมาแล้ววันดีขึ้นดีไปไปเป็นอะไรพระร่วงให้ไปเป็นหัวนหน้าครอบครัวก็คุมการทัวชิมอาหารไม่ให้พระเจ้าแผลินถูกวานยามพิษอ่ะ ยอมตายก่อนน่ะจนไว้วางใจและวันหนึ่งก็หนีกลับไปที่เมืองโมนไปปฏิวัติได้เป็นพระเจ้าผดิบชื่อว่าพระเจ้าฟ้าร่วงคนมอนพม่าเรียกว่าวาเลลุเราเรียกว่ามักกะโทรนี่ประวัติจริงเลยประถมกระสั์ของมอน ที่หงสาวดีตอนที่อยู่ในโรงช้างเขาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนอดน้องเรียบร้อยพระร่วงเสด็จมาดูช้างที่สงโปรดมานั่งบนแท่มอนมกระโทหนุ่มน้อ ย, ยก็ อยู่แถวนั้นแต่เพราะว่ากำลังเอายาามาจะมาเลี้ยงช้าพระร่วงเขี้ยวหมากบ้วนน้ำหมากปิดลงไปที่พื้นน้ำหมากเนี่ยลงไปเนี่ยมันไปอยู่ใกล้ๆ ก, กับเงินนะครับเงินที่มีค่าน้อยที่สุดเนี่ยเบี้ยตรงนั้น เหมือนกับไม่กี่สตังก็เลยชี้ให้มอนบอกว่านี่เฮ้ยมีตังเนี่ยจะมอ น, น้อยเอาตังไปถือว่าโอ้พระจะทานนะเนี่ยขนาดน้ํหมาด ก, กระเซ็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยประคองไปอย่างดีเลยเนะเอาเงินที่ไปทำอะไรไปตลาดไปซื้อเม็ดผักกาดจากแม่ค้า แม่ค้าบอกไม่รู้จะขายยังไงปกติมันขายเป็นในถ้วยราคาเยอะมากไอ้นี่มันมันเบี้ยเดียวเนี่ยมันน้อยไปขายไม่ได้ไม่ขายมัคกะโทมันมีปัญญาพูดบอกว่าเอานิ้วเดียวกันหนะะึ่งนิ้วจุ่มขึ้นมาติดมาเท่าไหร่เอาเท่านั้นแม่ค้าก็บอกโอ้จะไปงอแล้วจะติดมาำักกี่อันเอาเอาเลยมอดหนึ่งนิ้วเลย มะกะโทก็เอานิ้วใส่เข้าในปากให้เปลี่ยนน้ำลายสิครับจุดบเขไปติดไ <_ d> um> ปกองเลยเียเป็นพุ่มมือไม่ท้าํำเลยแล้วก็เอาไปปลูกรอยๆโรงช้างปุ๋ยนะครับไอ้มูลช้างเนี่ยมันเป็นปุ๋ยอย่างดีงพะ ก, การงามมากพอพระลวกเสด็จวิธีก็ประกาศไปถวาย เขารวงกระถางเองแบเอวไจะไหนก็เล่าให้ฟังนี่แหละเป็นมูลเหตุโอ้เด็กอย่างนี้ดีนี่เนะี่ยพูดท้ายไม่ชัดแต่เข้าท่าได้ดีได้ ด, ด, ดีเยอะแล้วนะใช่ไหมไปอยู่ในหวังเลยเป็นปวดป่ารถนหลังได้เป็นพระเจ้าแผ่ดินเมืองมอญ ตอนอยู่ในฐานะคนเลี้ยงช้างก็ทำให้มันดีที่สุดไปอยู่ในวังก็ทำให้มันดีที่สุดเป็นพระเจ้าบนดินก็เป็นให้มันดีที่สุดทำอะไรทำให้มันดีที่สุดชื่อว่าปฏิบัติธรรมะให้สุดจริตคือทาหน้าที่ให้สมบูรณ์จึงมีคากล่าวว่าการทางานคือการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมตัวนั้นเนี่ยก็คือหน้าที่ท่านการทาหน้าที่ก็คือธรรมะแล้วทาหน้าที่สมณ์คุณจะต้องมีคุณทำสรุปธรรมะคือหน้าที่ให้มีหน้าที่ทำอะไรเขาให้ท่านมาเป็นมาสังคาติการอย่าให้มันบกพร่องต่อหน้าที่ชื่อว่าสุจริตอย่าละทิ้งหน้าที่ และอย่าทุจริตต่อหน้าที่ลองเป็นภาษาทางการและบกพร่องต่อหน้าที่ดิเขาเรียกว่าย่อนความสามารถเจ้าคณะจังหวัดเนะ่ยถอดถอนได้เลยผู้มีอำนาจแต่งตั้งเนนะี่ยถ้าบกพร่องต่อหน้าที่คือย่อหย่อนไม่ได้ทุจริตไม่ได้มีโทษอะไรแต่มันจะมีกฎมหาเคมาคมอยู่ข้ อ, น ย, อ น, นย่อหย่อนฐานหย่อนความสามารถ่ะบกพร่อง ให้ออกเลยถอดถอนให้ให้ออกกันออกไปเลยละทิ้งหน้าที่เกินสิบห้าวันเป็นเจ้าวาดบรรลุหายไปไหนให้ออกทุจริตอ น, นิไลแหลห่ทุจริตคือใช้อำนาจหน้าที่ในทางหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เดี๋ยนี้เป็นพระสังฆาธิการยากหน่อยนะท่านนะท่านไม่อาจจะไม่ทุจริตแต่ท่านละเว้นละทิ้งข้อสองเนี่ยละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยที่เขาฟอ้องกันอยู่เนี่ยละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ติดคุกสามปีถึงสิบปีมั้งหรือเจ็ดปีเป็นเจ้าวาจะต้องควบคุมการเงินท่านไ่ได้โกงเงินแต่ท่านควบคุมไม่ดีมันมีปัญหาโดนหนึ่งห้าเจ็ดไม่ธรรมดานะไม่ง่ายนะแล้วถ้ายังไปทุจริต เงินทอนนะฮะเอาเงินหลวงไปเป็นของตัวเองฟอกเงินคือไปร่วมกับคนที่ทุจริตที่โกงยักย้ายถ่ายเทให้เขาพ้นความผิดเราที่ไปรับเงินผิดด้วยทั้งที่รับประเคนมาอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ง่ายท่านจะต้องมาเรียนปปสอนะให้ม่รู้เท่าทันกฎหมาย กฎหมายที่พระสงค์ควรทราบไม่ต้องรอให้กองปราบมาเยี่ยมแล้วให้มาเปิดตำราดูซะก่อนไม่ทุจริตไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ย่อหย่อนเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีความรู้ แล้วท่านไปปฏิบัติหน้าที่มันมีความเสี่ยงที่บอกว่าที่ผมพูดแต่ตอนต้นไม่อยากให้พวกท่านไปตายเอาดับหน้ามงงุงมังาหะหราไปแล้วมันจะตายเอาจริงๆขึ้นไปอยู่สู่ตำแหน่ง ส, งสูงๆแล้วไม่มีความรู้เหมาะสมกับตำแหน่งมันเสี่ยงที่จะบกพร่องต่อหน้าที่ละเว้นการปฏิ บ, บัติหน้าที่โดยไม่รู้ตัวแล้ว เอาขาข้างหนึ่งไปอยู่ในคุกเขาเรียกความเสี่ยงเราจะต้องศึกษาเรื่องความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรครับความเสี่ยงคือสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีผลร้ายต่องานของเราตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยน แต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเปลี่ยนไปในทางร้ายก็ได้ทางดีก็ได้ถ้ามันจะเปลี่ยนไปในทางดีแล้วมันทามันเกิดผลเสียต่อเราเนี่ยเราคาด ก, การไว้ก่อนแล้วเรายังว่ามันจะมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแล้วเรายังเข้าไปเลยนะเขาเรียกว่าเสี่ยงโดยใช่เหตุทำไมท่านต้องไปเสี่ยงรู้ว่ามันมันไม่แน่นอนเหมือนกับอย่างนี้ครับ คนเขาไปยืมเงินก่อนท่านไม่ใช่เงินเงินท่านเองยืมขยืมเงินวัดอ่ะเดี๋ยวผมจะเอากระถินมาปีหน้าเอ๊ะกรโดดอ่ะออกพรรษาแต่ว่ามันจะต้องเอาเงินไปเตรียมก่อนนะครับถึงกระถินที่จะมาขอยืมไปทักนแสนหนึ่งเงินวัดอู้อยากจะได้กระถิ่นี่ยเอาเงินแสนของวัดให้เขาไปอ่ะทมันไม่มีหลักประกันเลยไม่รู้ใครเป็นใครอยู่ที่ไหนว่าให้เขาไปช่วยเลย แล้วถึงเวลากะถินมันไม่มาเนะ่ไอตอนที่เราจะให้เขาเนี่ยไม่รู้จักกันไม่มีใครค้าประกันเนี่ยเขาก็เรียกว่าเสี่ยงถ้าเกิดเขาไม่มาใครเสียหายเราเราเสียหายถ้าเขามาเราได้เพราะฉะนั้นมันจะมีความเสี่ยงที่เขาบอกว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแล้วแต่ ว, ว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย โยมบางคนเนี่ยเก็บเงินที่ได้ยามกเกษียณมาเนี่ยนะไปเล่นหุ้นหมดเลยไปเชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารแต่หุ้นมันมีขึ้นมีลงมันเสี่ยงสูงมันไม่เหมือนฝากธนาคารเงินศูนหมดเป็นละล้านน่าสงสารเขาเรียกว่าเสี่ยงในความไม่แน่นอนเนี่ยเพราะว่าตอนเอาเงินไปลงเนี่ยเราไม่รู้หุ้นจะขึ้นจะลงความไม่แน่นอน อันอาจจะเกิดผลเสียแก่เราเขาเรียกความเสียนะ่ยงฮฉะนั้นเวลาท่านทําอะไรเนี่ยนะดูตามมาตามเรือก่อนใครเล่นมารุกเป็นก็จะรู้จ้องแต่จะกินเขาอะ่ะเอาเดินไะอตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้มันว่าจากไหนกินเราปลุมพ่อยกินมากกินขุดกินโคลเราเบี้ยนแอบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ เรียนทำใหม่เดินหลบๆกันไว้ก่อนผูกกันไว้ก่อนอะไรกันไว้ก่อนเขาเรียกลดขวานเสี่ยงอยู่ๆคนก็จะเงินมาให้หรือจะเอาเงินวัดไปมันมีอะไรเป็นหลักประกันเหตุที่พระเราเจอปัญหาความเสี่ยงกันบ่อยๆในช่วงนี้เนี่ย เพราะเราอยู่ในวัดท่านเราไม่ทันเล่เหลี่ยมโลกมนุษย์เราเป็นพันมนุษย์ที่มองโลกแง่ดีเกินควรอะไรก็ทับผมหมดดีหมดทำให้เราเนี่ยมองโลกแง่ดีเกินควรนึกว่าไม่มีปัญหา การมองแง่ดีเกินควรเนี่ยมันทำให้เราเสีย่ยงเพราะนึกว่ามันไม่เกิดปัญหาเช่นอะไรครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสาสาพระยะมันเวติจากความไว้วางใจภัยก็ตามมาพุทธเจ้าตื่นไปแล้ววิสาสาวิสาสาเนี่ยความไว้วางใจความคุเค่เกิน วิสสาสาพยามาณเวติภัยมาจากความไว้วางใจกันเราเชื่อใจกันเราชินเราเจอบ่อยๆจึงไม่ได้ระแวงระหวังเช่นสุนัข ก, กับไก่เนะี่ยมันอยู่บ้านเดียวเจ้าของเอาข้าวสุกโปรยสุนัขมันก็กินข้าวสุกไก่ก็ไปแย่งข้าวสุก อย่างมากสุนัขมันก็เฮ่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่านา่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่น่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ัน่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่กล่่่่่่่่่่่ไม่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ หมา ย, ยอดไก่ความไว้หวานใจความคุ้นชิเม่อเกิดปัญหาซึ่งมันมาเทียบกับคนกับสิ่งของเราใช้รถของเราอยู่ทุกวันเนี่ยและเราก็ไม่ได้ไปตรวจสาภาพใครจะนึกบ้างว่ากำลังวิ่งอยู่บนถนนหลวงแล้วเบรกจังแม้มันจะเด็กแตกลงเขาเนี่ย รถบัสใหญ่ๆเนี่ยลงเขาเบรกแต่ตายกันหมดไม่ได้ตรวจสภาพรถเพราะเราก็วิ่งมาประจำมันไม่มีปัญหาใครจะนึกว่าถ้ำที่เด็กเคยเข้าไปประจำมันจะออกไม่ได้น้ำมันจะท่วมปากถ้ำเหมือนนั้นทำให้เกิดหมูป่าทีหมูป่าติดถ้ำ สิบสามคนนี่เพราะไม่ได้เฉลียวใจไม่ได้เอกใจว่าคือขาดจินตนาการมองแง่ดีเกินควรคำนวณผิดพลาดขาดจินตนาการเราขาด บางทีเนี่ยหนึ่งเรามองแง่ดีเพราะวางคุ้นเคยสองคำนวณผิดพลาดอย่างกรณีหมูป่าเนี่ยเขาคำนวณผิดเข้าไปในถ้ำในวันที่ยี่สิบสามมิถุนายนแต่ฝ่ายไอ้คมวนะอุทยานเนี่ยเขาบอกว่าให้เข้าให้ระวังในช่วงเดือนก ร, รกฎาเป็นต้นไปฝนมาจากมาเขาเขียนไว้อย่างนั้น อุตุมันไม่ตรงในข้งเนี่ยเขาถือว่าเป็นการคำนวณผิดพลาดในฝ่ายทั้งผู้เข้าในฝ่ายของผู้ดูแลถ้ำฝนมันมาเลยเวลาที่เราก่อสร้างเนี่ย่บางทีก็สงสารสร้างตึกแค่นี้พอสร้างไปสร้างมานะ งบบานปลายเงินไม่พอเพิ่มอีกหลายเท่าเลยจ้ะทิ้งเลยฝ่ายผู้รับเหมาทิ้งงานก็มีไม่คุม้มและเราจะเอาเงินที่ไหนสร้างก็ไม่เสร็จคำนวณผิดบริษัทรับเหมาก็เสียชื่อวัดก็เสียหายหรือสร้างไปแล้วตอนแรนกเรียกว่า เงินแค่สองล้านกลายเป็นสิบล้านนีเราต้องรับภาระในการหาเงินที่ผิดพลาดยังไม่นับที่ตึกถล่มนี่นะคำนวณผิดสร้างไปสร้างมาถล่มมาทับคนตายขาดจินตนาการ กาจินตนาการก็คือในในสถานาการณ์บางสถานาการณ์เนี่ยท่านจะต้องลองคิดจินตนาการไว้ว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงตอนที่ตึกวอลเทนถล่มที่อเมริกาโดนถล่มเลยนะ เขาบอกว่าปัญหาที่คนไปขับเครื่องบินชนตึกวอลเทสถล่มเป็นเพราะ C I A F B I ละรัฐบาลอเมริกาขาดจินตนาการ lack of imagination <c oughs> เขาทำตึกวอลเทสถล่มเนี่ยเขาทำางานวิจัยเขาเรียกอะไรนั้นให้เาเรียกคณะกรรมการสอบสวน คณะบริการสอบสวนสรุปว่าเรื่องมันเกิดเพราะขาดจินตนาการของฝ่ายปกครองฝ่ายฝ่ายดูแลความปลอดภัยของบ้านเมืองฝ่ายดูแลความมั่นคงของบ้านเมือง <c oughs> เขาบอกว่าไอ้พวกผู้ปรกอการร้ายเนี่ยมันจินตนาการสูงกว่าพวกที่รักษาความมั่นคงในอเมริกา มันอยู่ในทะเลทรายที่อากาศิสถานมันสามารถจินตนาการใช้เครื่องบินเป็นขีปืนาวุธชนตึกในอเมริกาได้ทั้งๆ ท, ที่มันยังไม่ไปอเมริกาขณะที่คนอยู่ในอเมริกาคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่ามันจะทําขนาดนั้นเขาเรียกไม่เรีวจินตนาการไม่เพียงพอมันไม่มีการสมมติไม่มีการตีต่าง ถ้าสมมุติไอ้คาว่าจินตนาการคือคําว่าถ้าถ้าเขาจะทําอย่างนี้เราจะป้องกันอย่างไรเหมือนเหมือนเราเป็นนักบวยขึ้นบนรถเวทีไปชกเลยถ้ามันต่อยไปอย่างนี้เราจะหลบอย่างไรนี่คือจิตตนาการมันยังไม่ต่อยพระพุทธเจ้าจะส่งพระกุณณ์ไปสุนาปรันตะชนบททดสอบจินตนาการบุณณ์ พระเจ้าถามคุณนะถ้าเธอไปที่สุนาบันตักชาวบ้านเขาโหดร้ายเขาดุร้ายนะถ้าเขาด่าพวกเธอถ้าพวกเขาด่าเธอล่ะเธอจะทําอย่างไรนี่ฝึกจินตนาการนะยังไม่ด่ายังไม่ได้ไปถ้าชาวบ้านด่าเธอเธอจะทําอย่างไรพระกุณ น, นะตอบพระเจ้าว่า ถ้าด่าก็คิดว่ายังดีนะที่เขาไม่เอาก้อนอิปลาหัวไม่เจ็บด่าไม่เจ็บดีกว่าก่อนเอาก้อนอิปลาหัวแล้วถ้าเขาเอาก้อนอิดปลาหัวเธอละ่ะหลบยังหลบทันดีกว่าเอาไม้มาตีอห่างนั้นิดตนาการอย่านั้นเลยถ้าเขาเอาไม้ตีเธอละ่ะ ก็ยังดีกว่าเอามีดมาฟันเอามีดฟันเธอหละฟันให้บาดเจ็บ ก, ก็ดีกว่าฟันให้ตายและถ้าเขาเอามีดฟันเธอตายเนี่ยก็ดีกว่าเราฆ่าตัวตายเรื่องในพระสูตรเลยครับที่เราปุโนวาทราสูตรคำฉันฝึกจินตนาการของนักเผยแผ่ ถ้าท่านเข้าไปสอนวันแรกเนี่ยนักเรียนเขาไม่เรียนกับท่านท่านจะทำยังไงถ้าครูถ้าท่านไปถึงครูเขาไม่ต้อนรับท่านจะทำยังไงไม่มีที่อาหารฉันเพยท่านจะทำยังไงพอท่านคิดอย่างนี้ก่อนนะท่านก็จะเตรียมการไว้ไม่ฉันเลยเราก็ใส่ ย, ย่างไปสออิเด็กมันไม่เรียนเหรอเตรียม อะไรหนังกระดุกกระดิกอะไรเข้าไปกันใช่ไหมอุปกรณ์สื่อทั้งหลายเอาภาพไปสิเออไปแสดงมันไม่เรียนธรรมะเดี๋ยวจะเล่าหมูป่าสิบสามตัวติดถ้ำที่จริงอ่ะธรรมะนะั้นฝึกนั่งกรรมาฐานใครอยากจะเป็นเหมือนหมูป่าบ้างมันก็เรียนลครับ แต่ถ้าท่านไม่จินตนาการไม่ก่อนนึกว่าเด็กมันจะเรียบร้อยนึกว่ามันจะดีมันยังพูดย่างงี้โวอย่าหวังครูคนหนึ่งเป็นครูดีเด่นได้เสาอสเอ เ, อ เ, อเอสาเสมาธรรมจักรเป็นคารวาปกติเป็นครูสอนวิทย์คณิตแต่ย้ายตามสามีมาที่กรุงเทพเขาอยู่เชีงใหม่ มาสอนอยู่ที่น่าจะบางบอ่อนไปบางมดขอโทนโรงเรียนบางมดโอ้โหเด็กทำมลจริงๆในย่านนั้นแล้ววิชาที่สอนก็ไม่เหลือให้สอนเลยเพราะว่าเป็นย้ายมาตาม่างปีเหลือแต่วิชาหนึ่งที่คนไม่สอนคือวิชาพุทธศาสน า, ศาตัวเองสอนวิทยาคณิต่เด็กอยากเรียนแล้วครูก็ยัดเยียดเล ให้สอนที่ชาพุทธศาสนาโอ้ยแกบอกไม่เคยลืมเลยเข้าวันแรกท่านเข้าไปสอนวันแรกเด็กโตเนียมัตยมมันครูกเก่าเขาสอนไว้แล็ท้างแกก็ต้องไปสอนต่อหัวข้อเรื่องกรรมกรรมมัดเนี่ยกรรมเนี่ยนะเกือบตายเพราะไม่รู้รู้แต่วิทย์คณิตแต่มาสอนเรื่องกรรมเด็กมันก็ไม่สอนไม่เรียน นึกพอสอนเสร็จมาบอกกมแท้ๆเลยนะของครูเนี่ยที่มาสอนกลับไปบนให้สามีฝั่นสามีบอกตายแน่ๆอย่างนี้ไปๆๆพาขึ้นรถขับไปวัดบงออนไปที่โรงพิมพ์มหามัณฑิไปซื้อหนังสือธรรมะไปที่บ้านสามีติวให้นะสอนว่าเรื่องกมเรื่องอะไรสอนหมด สามีเป็นผู้วินพากษาก็จริงแต่ได้ประเรียนท่าประโยครับรอดเพราะสามีนะอย่างนี้เป็นต้นมองแง่ดีเกินควรคำนวณผิดพลาดขาดจินตนาการในในภาคสองเนี่ยผมเป็นห่วงอยู่เรื่อยก็คือเรื่องไฟไหม้ไม้สักร้อยปีบ้างอะไรบ้างน้ำทาวออกมาทีายใจแป้งทุกทีเลยคนระับ แล้วก็ไปโทษไฟฟ้ารัดวงจรไปโทษจุดเทียนอีตอนท่านจุดเทียนทำไมไม่จินตนาการบ้านน้าตาเทียนมันลงมันไฟมันก็ไหลาตามมาเข้าพื้นนี่จินตนาการเด็กป .4 มันยังจินตนาการได้เลยท่านไฟฟ้าสายไฟยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งเนี่ยมันกี่บาาเฉียวถ้าท่านจะเปลี่ยนน่ะ แล้วลองจิตนาการถ้ามันลัดวงจรขึ้นมามันไม่ขึ้นมาเนี่ยเสียหายเท่าไหร่กุฏิในโบสถ์มีพระที่มีราคาแพงอยู่เนี่ยหรือวิหารกระตามยั่วตาโจรอยู่นั่นแหละเคยคิดไหมว่าจะทำเหล็กดักบ้างหรือมีกล้องวงจรปิดบ้างอะไรบ้าง ซึ่งเดี๋ยวนี้มันทูมันจะต้องจินตนาการเพราะโจรมันก็จินตนาการเป็นเหมือนกันการจัดการความเสี่ยงที่ว่ามามันไมสี่แบบท่านถ้าเป็นไปได้อย่าไปทําเรื่องบางเรื่องเขาให้มาเซ็นอะไรก็ตามนะครับเงินกู้คําประกันเงินกู้ เซ็นเรื่องโยกเลื่อนย้ายเรื่องแต่งตั้งหรือแม้กระทั่งร้องเรียนเป็นไปได้ท่านอย่าไปเซ็นเป็นคนแรกนะถ้าท่านเขาประท้วงกันนะตอนที่เขาประท้วงแต่งตั้งสังคายกนะครับในสมในปีสองพัร้อยสามสมเด็จวัดมกุฎเป็นสังคายกสังขมนตรีสังนายกเหมือนนายกบตรีของพระฝ่ายมหานิกายไม่พอใจที่ วัดมะกุูดสมเด็จวัดมะกรูดเป็นสังฆนายกก็ประท้วงกันเข้าชื่อเป็นหางว่าวเลยฝ่ายมหานิกายประชุมกันที่วัดมหาธาตุตรงลงกันเรียบร้อยว่าเราไม่เห็นตั้งแตท่านผู้นี้เอาหนังสือไปเยื่อนประท้วงพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชก็เลยต้องเปลี่ยนตัวจากสังฆนายกมากรูดเป็นวัด เ, เบญจมาร์ตบ่อพิษสมเด็จ ปลดนะครับมาเป็นสังฆนายกแงงแล้วตอนหลังมาปเป็นสังฆราชเหตุเพราะว่ามีบัญชีหางว่าลงชื่อพระสงฆ์มหานิกายประท้วง <S <s เขาลงมาตั้งแต่เบอร์สองนะครับยาวเป็นร้อยลูกเหลือเบอร์หน <S <s ึ<ป>่งไว้ให <S <s ้แล้วไปขอเจ้าวาดวัดมหาธาตุลงชื่อครับ <S <s ท่านไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยแต่เขาให้ลงชื่อท่านก็นลงเลยครับพระพ well ีิบูลธรรม กรรมแท้ๆเลยและมันก็เป็นที่มาของการอจนมันบางทีได้ไม่ได้ตั้งใจเลยนะแต่คนเขาก็ ม, มาพูดกันนะนะไปพูดแต่ตอนตอนหลังไอ้ตอนลงอันแรกเนี่ยนะคิดบ้างปล่าเป็นท่านท่านจะลงไม่คัดค้านแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดตัวเองเนี่ย นั่งอยู่ได้เลยอยากน้อยถ้าจะเซ็นก็เซ็นให้อ่านไม่ออกกันเนาะแล้วไปอยู่ท้ทายเลยเนาะอันนี้เขาเรียกว่าลดความเสี่ยงลดความเสี ย, าสยหายจําเป็นถ้าไม่จําเป็นขอขาดบาดตายอย่าไปทํามันเสี่ยงพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรที่ไม่ควรจะไปยุ่ง อ ბ ายามุกคนะ่ะอย่าบ้าอย่าไปล้องการพานันอย่าไปยุ่งอะไรเงี้ยอบายามุกอนะไม่ทําอะเสวนาจะพาลานางบันิตา น, นันจะเสวนาอย่าไปคบคนพาเนะอย่าไปคบแต่ถ้าจําเป็นจะต้องทําให้มันเสียหายน้อยที่สุดลดความเสียหายเช่นอะไรครับ อุบัติเหตุประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเป็นอันดับสองของโลกนะ่ากลัวมากผมมาแล้วโอ้โหตายใครมาประเทศไทยต้องประกันชีวิตแต่เมื่อกแต่พอดูลึกๆแล้วดูตัวเลขแล้วตายไปเพราอะไรครับเจ็ดสิบเอร์เซ็นของอุบัติเหตุมาจากจั ก, กรยาหยนต์มอเตอร์ไซค์ผู้ันที่จะต้องมีนอนอยู่ ริมถนนในกรุงเทพนะนะตายจังหวัดผมแต่ผมมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ไอรถเก๋งชนกันคนไม่ตายนะแต่มอเตอร์ไซค์นี่ไม่ตายก็เลี้ยงไม่ตกน้อนอยู่ตรงนั้นตอนหลังประเทศไทยลถความเสียหายยังไงนะใส่หมวกกันน็อปนะหมวกกันน็อปมันไม่สามารถจะป้องกันอุบัติเหตุแต่มันลดการพิการหรือเสียหายหรือตาย อ่ะนี่เขาเรียกรถหลังเสียไหนถ้าท่านจะเป็นยังต้องทาอ่ะท่านเคยไหมเพื่อนมายืมเงินอ่ะอันนี้เป็นหลักคิดทั่วไปยืมเป็นหมื่นให้ไปก็เสียงเงินไม่รู้ว่ามันจะคืนหรือเปล่าเสี่ยงไหมไม่ให้ก็เสียเพื่อนท่านจะเลือกเอาไหนครับสมว่ารถเดียวกันเนี่ยจะเขายืมเนี่ย เออให้น้อยบาทใช่ไหมนี่คือข้อสองถ้าให้ท่านก็เสียใจเสียเงินไม่ให้ก็เสียเพื่อนเขาเอามื่นเราทำข้อสองลดความเสียหายถ้ามันจะเชิดไปเงินให้ไปแค่พันเดียวพันเดียวที่ตัดใจเนาะไม่ได้คืนก็เสียน้อยและก็ไม่เสียเพื่อนเนี่ยเราใช้ในชีวิตจักรวาลกัน ลดความเสียหายกระจายความรับผิดชอบเราเราอย่าไปทำคนเดียวสิครับบางเรื่องเนี่ยคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายถ้าบางเรื่องในการลงนามในการลงนามอะไรตา่าง เราก็ต้องเหมือนกับค้ำประกันเนี่ยมันต้องหาคนมาช่วยตัวช่วยเวลามีมติที่ประชุมเถครับสมมติถ้าเจ้ า, าจว่าเราเป็นเจ้าว่าเราจะตัดสินไล่พระองค์นั้นองคนี้ออกมันเสี่ยงเดี๋ยวมันเอามีดมาประเคนเข้าเรื่องอะไรครับมีหลวงพ่อองค์หนึ่งครับเป็นรองอธิกาบรบดีมหาจุฬาไล่เด น, เนออกจากวัดแล้ว ไล่ไปแล้วท่ากนกบมาอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้านอนเก้าอี้โยกอะเอาหนังสือพิมพ์เนี่ยเน่นมันโกรธท่านปลาท่านเอามีดปาใส่ทะลุหนังสือพิมพ์เนี่ยปากเฉียดคอไปเลยมันไม่เห็นมันกะกะเอาเน้มันตัดมันปาเก่งเปึง้งออมันฟาดไปที่หรือลูกเต็มกลางหายไปเลยท่าน เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องลงไปเล่นเองครับตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้กรรมการเสนอว่าควรจะลงโทษขนาดไหนลงโทษไล่ออกเราก็อนุมัติแล้วก็บอกเน็ตว่าเนี่ยผ ม, ผมทำผมทาตามกรรมการเนี่ยองนี้เป็นประธานท่านไปเล่นงานพนุนมันเลือกอะไรท่านทำไมจะต้องเสี่ยง กระจายความรับผิดชอบเดี๋ยวนี้มันมีบริษัทประกันเยอะแยะไปไม่สักทั้งหลังไงถ้ากลัวจะเสียหายประกันรถยนต์ก็ยังมีประกันข้อสี่ตอบรับความเสี่ยงเองถ้าจำเป็นมันเลี่ยนไม่ได้เป็นไงเป็นกันแต่พอรับไหวเช่นอะไรครับ เราไปกู้เงินแต่ไม่ใช่ไปเอาของเข้ามาก่อนมาจัดงานทอด ก, กระถินแอบแจ้งขอโทษงานวัดงานฝันล้วนิมิตเชื่อเขามาแล้วถ้าปรากฏว่ามันขาดทุนไม่สามารถจะเอากำไรหรือได้เงินเนี่ยแม้กระทั่งทุนไปใช้หนี้เขาและถ้าเขาฟ้องไปถึงเจ้าคณะเราเสียหายดีไม่ดีไม่ได้เลื่อนตําแหน่งไม่ได้เลื่อนสมณศาักดิ์ ท่านมีเงินส่วนตัวอยู่ก้อนหนึ่งใช้หนี้แทนกรณีอย่างนี้เนี่ยเราเรานึกถึงวัดบางวัดนยที่โดนสตงทวงเงินคื น, เ, นเงินเยอะก็จริงแต่เรารู้ว่าท่านมีเงินส่วนตัวเยอะวัดก็มีเงินส่วนตัวเยอะ ก็แนะนำท่านทำไมท่านให้เรื่องมันจบๆไปเอาคืนเ้าไปเงินส่วนตัวก็ได้หรือหยิบยืมเพื่อนๆก่อนก็ได้ซึ่งเขาพร้อมอยู่แต่ท่านไม่ยอมทำไม่คืนก็ไม่รู้เป็นอะไรเราแนะนำกันนะไม่ใช่ไหมแนะนำท่านก็บอกนั่นสินั่นสิแล้วก็ไม่ทำ แล้วจนท่านอยู่ในตำแหน่งไม่ได้คนต่อมาที่มารับตำแหน่ง ก, ก็เอาเงินวัดนั่แหละที่ท่านควรองค์กรควรจะตัดใจคืนเอาไปคืนมัน ก, จก็จบเรื่องบางเรื่องจำเป็นจะต้องเสียเสียน้อยอยากให้มันเสียยากแล้วเสียมากมันเสียง่ายเสียน้อยก็ยังดีตัดนิ้วไหนร้ายตัดนิ้นนิ้วนั้นทิ้งอะ่ะ อย่าให้มันลุกลามเหมือนคนเป็นเมาหวานเนี่ยทเท้าน่ากับตัดนิ้วไป่อนอันนี้ต้องยอมเสียบ้านยอมจ่ายบ้างบางทีปล่อยให้เรื่องมันลุกลามไปถึงโรงพักพระในวัดเราเสียหายเป็นข่าวไม่คุกนะหาทางยุติเจรจา ย, ยังไงก็ได้จ่ายค่าชดเชย อ, อะไรก็ทำไปทีครับแต่ย่อมต้องเสียบ้าน จัดการความเสี่ยงโดยหลีกเลี่ยงไม่ทำลดความเสียหายกระจายความรับผิดชอบตอบรับความเสี่ยงก็คือให้มันย้อมย้อมเสียบ้างนั่นเองข้อสีจิตอาสาครับพอเพียงวินยัยสุดจริตพูดมาแล้วจิตอาสาครับจิตอาสาคืออะไรอาสา พจนานุกรมฉบับราชบริตสถานท่านบอกว่าสเสนอตัวเข้ารับทมด้วยความเต็มใจเหมือนทหารเกณฑ์กับทหารอาสาถูกใบแดงไม่เต็มใจต้องไปเป็นทหารแต่บางคนยังไม่ถูกใบดำใบแดงเลยสมัครเขาเรียกว่าเต็มใจ จิตอาสาฉะนั้นจิตอาสาก็คือสมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใดถ้าไม่สมัครใจไม่เต็มใจก็ไม่เรียกว่าจิตอาสาหรือหวังประโยชน์ส่วนตนมากไปเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่ใช่จิตอาสา ต่อให้เราขยันทํางานอะไรก็ตามแต่ว่าเป็นของผลประโยชน์นของเราเองเําไม่ได้จิตอาสศ า, ศาแต่ถ้ามาทํางานให้วัดทํางานให้ส่วนรวมเป็นจิตอาสาและก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใดเกณฑ์มันจะมีสี่อย่างเวลาเราไปสอนเรื่องจิตอาสาใครอยากเป็นจิตอาสาไปสมัครตัวเข้าทำเหมือนกับ พวกดาราไปสมัครเข้าบูนิติ p โป t เ c คต o นร่วมกักันยูเงี่ยเขาเป็นอาสาสมัครถ้าจะจับงานวัดแม้เขาไม่ได้ไม่ได้มาบอกแต่ว่าเราตั้งเขาเป็นกรรมการอย่างเงี้ยเขาก็มาทำโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนงานงานสงกรานงานอะไรต่างเนี่ยกินอาสาเท่านั้นเพียงแต่ว่าเราเปิดโอกาสให้เขาก็มา ผลประโยชน์ก็ไม่มีสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ส่วนรวมวัดเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยจิตอาสาทั้งนั้นลครับควรจะสร้างระบบจิตอาสาให้มันเป็นระบบคือไม่ใช่ใครเต็มใจค่อยมาแต่ว่าให้ทั้งหมดเนี่ยรับรู้เป็นจิตอาสาเป็นประโยชน์สส่วนรวมมาด้วยความเต็มใจสมัครใจและมีความสุขใจที่ได้ทำ เขาต้องสุขใจด้วยนะครับเขาไม่ได้หวังเป็นเงินเป็นทองเขาไม่ได้หวังตอบแทนแต่ว่าให้เขามีความสุขถ้าญาติโยมมาช่วยงานวัดเนี่ยนะเขามีความสุขเขาสามัคคีรักให้กลมเกลียวกันเป็นจินอาสารและวัดที่มันจเจริญเนี่ยนะครับโยมเสียสตังค์ให้ด้วยจ่ายให้ด้วยมาช่วยงานด้วย ผมจัดงานวิสาขาบูชาโลกมาสิบสี่สิบห้าปีสิบห้าปีคนทั่วโลกมาอาสาครับบางประเทศเนี่ยจ่ายค่าเครื่องบินกันมาเลยอย่างญี่ปุ่นสามสี่ร้อยคนไม่คิดตังค์กันลเลยเลยไม่หวังผลอะไรด้วยชอบอยากให้จัดแล้วถ้าญี่ปุ่นไม่มามันจะไม่ครื่ทักเขาผมมากันอย่างนี้น่ารักมากไม่หวังผลตอบแทนอะไร เสนอตัวเข้ามาเคนเก่งๆทั่วโลกบินมาเพื่อมาประชุมเพื่อมาแม้เราจะเชิญ น, นะครับแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้อะไรเลยแต่เขาก็มาอย่างเช่นที่ผ่านมานายยงตรีกูตา น, นายยงตรีขับบินมามาปาสักถา ถามว่าได้สตังค์อย่าเรามันมีแล้วไม่มีสตังค์ให้จากาค่าเครื่องบินให้มาพูดและก็ตักไม่ได้มาเพื่อประโยชน์อื่นเลยแค่อาศามางานใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยมันอยู่ด้วยจิตอาศานะหมูป่าติดอยู่ในถ้ำนะ ลำพังแต่คนไทยอย่างเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่เพราะอะไรถ้ำเนี่ยมันลึกที่เด็กอยู่ก็ไปสองกิโลครึ่งหรือสี่กิโลเลยลึกช่วงที่เด็กอยู่ที่มันเป็นเนินเนี่ยนะครับแล้วจะต้องออกมาเนี่ยดำน้ํารวดเดียวไม่โผล่เลยเนี่ยสามร้อยเมตรเนะ่เท่ากับสนามฟุตบอลสามสนามต่อกัน ไม่มีใครถ้าไม่เคยดำน้ำในถ้าเนี่ยนะเคยได้ดำน้าในทะเลเนี่ยทำไม่ได้เพราะถังออกซิเจนเนี่ยมันได้แค่อาจจะร0อยเมตรสองร้อยเมตรมันไม่ถึงสามร้อยและที่ยากมากก็คือวิสัยวิสัยทัศ น, มมน์มองไม่เห็นห่างสักคืบหรือฟุตหนึ่งมองไม่เห็นละ น้นมันขุ่นมากและถ้ำมันก็มืดเข้าไปมันมีสิทธิ์ตายและยิ่งจะไปไปคนเดียวยันอาตัวไม่รอดแล้วจะช่วยเด็กสิบสามคนออกมาโดยไม่ให้เด็กตายเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ยิ่งสำหรับความชำนาญที่เรามีในประเทศไทย ทำไม่ได้ซีลก็ทำไม่ได้เพราะว่าหลักสูตรมีแต่ดําน้ําในที่โล่งไม่มีการดําน้ําในถ้าเขาก็ต้องหาอาสาสมัครจากทั่วโลกที่ดําน้ําในถ้ำใครมีประสบการณ์ไปได้ที่อังกฤษเขามีสมา ค, คมนักดําน้ําในถ้ำแล้วเก่งที่สุดในโลกได้มาสามคนชุดชุดแรกมาสามคน มันจะมีเขาเรียกว่าช็อกกิ้งพอยต์คือจุดที่มันคอปวดที่ใครก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไอถังดำน้มันจะติดข้างหลังบ้างข้างตัวบ้างถ้ามีถังมันรอดไม่ได้ต้องเอาถังออกลากถังไปหรือผลักถังข้งหน้าแต่ฝรั่งเขามีถังชนิดที่ทํายังไงไม่รู้มันดำเข้าไปได้เขาเตรียมมาเฉพาะเลย ติดขั้นตัวนี่แหละแต่ว่ามันยาวลอดไปในช่องานั้นได้มันก็เลยไปก่อนนะสองคนอนะ่ะที่ไปเจอเด็กเก้าวันอนะ่ะเด็กอยู่เก้าวันแล้วฝรั่งกันเชาน้าเกิดสองคนไปเจอปัญหาตามมาก็คือจะเอาเด็กออกได้อย่างไรข่าวแรกๆ ก, ก็คือเอาเด็กไว้ในถ้ำจนกว่าน้ำจะลดซึ่งอาจจะใช้เวลาสองสมเดือน เพราะเอาออกมาเสี่ยงมากไม่คิดจะ อ, ออกมาแต่พอมีอดีตซีลคนหนึ่งตายเนี่ยเปลียนผักคิดมันอันตรายมากเอาไว้ในถ้ำมันต้องเอาอาหารเข้าออกเข้าออกไปส่งมันจะตายกาบทางกันหลายคนเสี่ยงเพราะฉะนั้นจึงรละดมอาสาสมัครจากทั่วโลก ตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าจิตอาสาระดับโลกนักดำน้ำเก่งๆในโลกเนี่ยเขาถึงกันหมดเขาจะปรึกษากันในอังกฤษ ก, ก็เลยขนมาหลายคนออสเตรเลียและที่อื่นๆมามาแล้วเขามาปรึกษากันว่าเอาเด็กบอกจะทำอย่างไรเสียงมากๆ เพราะว่าในการดำน้ำวดแรกเนี่ยสามร้อยเมตรเนี่ยต่อให้เด็กสวมห น, น้ากากออกซิเจนแต่ถ้าเด็กตื่นะนกิ้นขึ้นมากลัวขึ้นมาเนี่ยหน้ากากเวลาดิ้นเนี่ยหน้ามันจะสายมันจะไปกระทบหินซึ่งมันแคบมากมีิีโดนหินหน้ากากเป็นรูขึ้นมาเด็กตายทันทีน้ำเข้า ไม่มีอะไรเสี่ยงเท่านี้อีกแล้วเอาออกมาเด็กก็จะมีมีมีสิทธิ์ตายเขาก็ไปขอความร่วมมือจากนักนักดำน้ำออสเตรเลียซึ่งเป็นหมอเป็นนักกิตแพทย์เป็นหมอและเป็นนักดำน้ำทำอย่างไรจะเอาเด็กออกมาเนี่ยไม่ให้มันตื่นตะโนกนี่เขาเรียกว่าลดความเสี่ยง เอาออกมาเฉยๆเด็กดิ้นขึ้นมาตายทันทีนี่ความเสียสูงทําอย่างไรให้เด็กนิ่งหมอจากออสเตรเลียบอกว่ามันเป็นไปได้ยากถ้าเด็กตายผมรับผิดชอบเต็มเต็มผมจะต้องไปติดคุกเมืองไทยผมไม่เอาก็เลยมีข้อตกลงว่าให้มาในฐานะเจ้าหน้าที่การพูดของออสเตรเลีย มีเอกสิทธิ์ทางการทูตซึ่งถ้ามาทำอะไรผิดกฎหมายในประเทศไทยไม่ต้องติดคุกไทยเหมือนทูตส่งกลับไปเลยทำเพื่อขนาดนี้ทัานเพราะเขาถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงมากในใจเขาเนี่ยคิดว่าจะต้องมีตายกันบ้างที่เขาให้สัมภาษณ์ดีหลักแต่พอมาปรึกษามาตกลงกันแล้วเนี่ย เขาให้ยากล่อมประสาทเด็กเพื่อไม่ให้ตกใจที่มันพอดีไม่ถึงกับหลับแต่มันพอดีกันแล้วกันสามารถที่จะพาออกมาได้โดยไม่สืนสนุกและใจตุ้มๆต่าๆคนแรกที่ที่เอาผ่านสามรอยเมตรมาเพื่อมาโผล่ทงหนึ่ง อาสาสมัครประเทศเึ่นเขาบอกว่าเป็นฝรั่งเขาบอกว่าไม่รู้ว่าตายหรือเป็นนิ่งไหมพอรู้ว่าหายใจน่ดีใจมากๆเลย <c oughs> เขามีความสุขฉะนั้นเขาไม่หวังผลตอบแทนแต่เขามีความสุขมากๆ <c oughs> ในเขาให้สัมภาษณ์อันนี้ที่ผม เขาบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเขาอยู่ตรงโถงเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หายใจได้รู้สึกดีมากๆคนที่ทำจิตอาสาเขาจะมีความสุข ทำอย่างและเขาก็หมากันทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรื่องหมูป่าเนี่ยเป็นจิตอาสาระดับโลกการทำจิตอาสาเนี่ยทำยังไงเราก็สอนธรรมะสี่คันะครับเพื่อให้ทำจิตอาสานั่นก็คือสา ร, ระวัตถุสี่กันนะครับ วิธีทําจิตอาสาก็คือสังขวัติสี่ทานการให้ปิยาวาจาวาจาอ่อนหวานอัฏฐจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งถ้าท่านอยากจะเล่าตํานานจิตอาสาในพระพุทธศาสนาเล่าเรื่องตํานานพระอิ์ประวัติพระอิ์กันแล้วกันมขัตมานพที่ว่าไปสร้างทางทําลานทําอะไรต่างคนถามมาทำอะไรทําทางไปสวรรค์เลยได้พวก สาสิบสามคนไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็พวกภรรยาก็สร้างศาลาสร้างไอ้ขอโทษสร้างสาระน้ำสร้างอะไรต่อมีอะไรนั่นแหะคือจิตอาสาจิตอาสาเท่ากับสร้างสวรรค์บนดินตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสหายของพระอินทร์จิตอ า, าสาแสดงออกด้วยหนึ่งทานคือการให้ท่านไม่ต้องไปลงเองก็ได้บริจาคเงินเข้าวัด ก็เป็นจิตอาสาบริษัทท่าบุนินทีก็เป็นจิตอาสาปิยาวาจาไปช่วยแนะนําไปช่วยบอกจราจรอะไรต่างก็เป็นจิตอาสาอัฐาจริยาไปช่วยแบกช่วยหาเวลาน้ําท่วมช่วยพายเรือก็เป็นจิตอาสาสมานัตต า, ตาวางตนพอดีเสมอต้นเสมอปลายไปให้เห็นหน้าก่อนอย่างเดี๋ยวนี้มีกลุ่มพระกลุ่มหนึ่งที่เรียน ชีวิตะความตายตั้งเป็นกลุ่มกีฬานะอะไรกีฬานะอะไรก็มีกีฬานธรรมแต่ก่อนนี่เวลาโยมป่วยหนักทําโรงพยบาลเนี่ยพระไปเยี่ยมญาติๆจะทําใจไม่ได้บอกท่านอย่าไม่ตายอย่าขึ้นมารับศพตอนหลังเนี่ยพวกกลุ่มกีฬานธรรมเนี่ยบอกว่ามาปลอบใจมาให้ธรรมะมาคุยกับญาติโยมเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น อันนี้เป็นสมานักตตามีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขเขาทุกข์กันเราก็ไปให้เห็นหน้าก็ทำกันหลากหลายท่านก็ลองการที่พวกท่านไปสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนท่านอยู่ในจิตอาสาผลประโยชน์มันไม่ได้อะไรแต่ท่านต้องไปด้วยสำนึกใจไปเพราะมันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติแร่ศาสนาแก่เด็กไป เพราะความสุขใจเต็มใจไปโดยไม่หวังผลตอบแทนนี่คือจิตอสัง์ในส่วนพระสังฆาธิการท่านหลักสูตรปรบสเรียนแล้วเขาอาจท่านอาจจะยังไม่มีตำแหน่งหรือมีตำแหน่งกต่างเขาตั้งเป็นกรรมการอะไรหรือมีเรื่องอะไรจัดประชุมที่ไหนท่านไปหเห็นได้ยอย่เรื่อยเนี่ยมา อย่างเขาจาัดอบรมเราเรียนเป็นรุ่นพี่มาเยี่ยมมาเยี่ยนเอาน้ำปานักมาเลี้ยง ม, มาอะไรต่างเนี่ยบางแห่ง น, น่ารักมากไม่ทอดทิ้งรุ่นน้องรุ่นพี่ก็ยังมาอันนี้คือจิตอาสาใช่ั้มมีงานคณะสงฆ์ก็ไปช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือก็จะทำให้งานของเรารู้ร่วมไปด้วยดีแล้วก็เราก็มีความสุขที่ทำงานร่วมกันและผมก็ถือว่าที่เรามาจัดหลักสูตรอย่างนี้ได้ มันไม่ใช่เพราะมีงบประมาณมีอะไรหรอกเพราะรวมจิตอาส า, าทุกฝ่ายเข้าด้วยกันถ้าไม่เสียสลัดของแต่ละฝ่ายทั้งในการจัดทั้งจัดสถานที่จัดกิจการเชิญครูบาอาจารย์ทำด้วย ใ, ใจรักอยากผู้ประสานงานที่วัดประยุทธ์ทั้งที่วัดต่างๆทั้งพวกท่านที่บาเรียน มาด้วยสิปริศของจิตอาสาทั้งนั้นและเราก็สามารถทำงานโดยไม่ต้องใช้งบประมาณให้เปลืองมากมายอะไรแต่ได้ผลมากจิตอาสาจึงเป็นทุนทางสังคมเราอยากจะพัฒนาหมู่บ้านอย่างแรโคูบาศรีวิชัยสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพไม่ต้องมีงบประมาณสร้างหมูป่าสิบสามคนที่ออกแกะถ้ำได้ ถ้าเอาเงินไปจ้างผู้เชี่ยวชาญมาไม่รู้เท่าไรครับพ้นเป็นหมื่นมาอยู่ที่หน้าทํามันเกิดขึ้นแล้วนี่คือเราอยู่ในยุคของจิตอาสาระดับโลกที่ของประเทศไทยมันไปทั่วหมดและมันจะเห็นอย่างนี้มากขึ้นเราจะต้องช่วยกันกระตุ้นช่วยกันบอกสอนแล้วประเทศไทยเราก็จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะผมก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเวลา <c oughs> เพียงเท่นี้ ในโอกาสนี้ขอเปิดการผสรมนิเทศหลักสูตรปทศและปศ อ, อขออำนาจให้คุณประยีรัตน์นายและบุญกุศลที่ทุกรูปทุกขัน้นทุกคนได้เปลี่ยนให้เป็นไปจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชชั้นลวะกระจจัยอํานวยอุปกรณ์ให้การศึกษาของท่านทุกรูปทุกคนประสบความสําเร็จตามที่ตั้งไว้ทุกประการขอทุกรูปทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืเรองงอกงามไปบูมยิ่งขึ้นไป ในร่มธรรมในงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์จำงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบเ้ียธรรมก็ขอให้ความปะสะนั้นนั้นจงผ่านสมเด็จสมมโนรสมุ่มากปราถนาทุกประการตลอดกาลนานเทอ